บทที่183เข็มทิศของระพินกับเข็มทิศจิ๋วซึ่งรวมอยู่ในหน้าปัดนาฬิกาของเชิฐาชี้ตรงไปในทิศทางเดียวกันคือภูเขาลูกหนึ่งซึ่งจอมพรานหันหน้าไปจ้องไปเชิญด้วยอาการอ้าปากค้างในขณะนี้ทำไมมันก็ชี้ตรงกันดีไม่ใช่เหรอมีอะไรผิดปกติเหรอ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 กำหนดไม่ถูกว่าตะวันอยู่ซีกไหนของท้องฟ้าเนื่องมาจากแสงสว่างที่มีอยู่คลุมเครือเสมอกันหมดจากหลืบเมฆที่เป็นเพดานปกคลุมมารออีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะเฉลียวคิดไพวันหล่อนอุทานเบาๆคิดเหนืออยู่ทางด้านไหนก็แล้วคุณล้วว่าอยู่ทางด้านไหนพานใหญ่ย้อนถามแผ่วเบามาเรีนหนาตื่น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 ท่านหัวหน้าคณะสั่งโดยเร็วอดีตนายทหารปืนใหญ่รีบล่วงกระเป๋าย่ามจากเสื้อแจ็คเก็ตฟิลที่สวมอยู่ในขณะ น, นี้ขึ้นมาเปิดฝาดูตามคำสั่งทันทีแล้วผิวปากวื้อรายด้านเหนือของเข็มทิศของเขาชี้ไปทางเดียวกับของรพินและเชิถายืนยันชัดตายฮะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยชยันอุทานเบาๆออกมาในลาคอบัตรนี้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 ทำให้เครื่องจักรนาฬิกาของพี่ใหญ่กลายเป็นอมภาตไม่ยอมเดินอยู่ในขณะ น, นี้เราได้สาเหตุแน่ชัดแล้วโชคดีเหลือเกินนะที่ในขณะนี้นะ่ะเป็นเวลากลางวันและเรารู้ทิศอยู่ก่อนแล้วนี่ถ้าเป็นเวลากลางคืนซึ่งต้องการการชี้บอกของเข็มทิศแล้วก็เราหลงกันทั้งหมดเพราะเข็มทิศจะมาทรยศทั้งหมดหันมามองหน้ากันเองอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูก คุณคิดยังไงระพินก็คงเป็นอย่างที่เมว่าแหะครับภูเขาลูกนั้นมีสนามแม่เหล็กทำให้เข็มทิศของเราชี้เปลี่ยนหมดและนาฬิกาของคุณชายก็ไม่ยอมเดินเพราะจักรกลภายในที่เป็นโลหะชิ้นส่วนละเอียดถูกยึดจนทำงานไม่ได้ถ้าโดยหลักของวยาศาสตร์ก็คงเป็นอย่างนั้นแต่ผมกลับคิดไปอีกอย่างหนึ่งนะผู้กองคิดยังไงล่ะครับ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 มันอาจยุ่งยากบ้างนิดหน่อยในการแสวงหาทิศ ต, ตอนกลางคืนเท่านั้นเองเรากำลังจะถูกการเวลาหมุนย้อนกลับไปสู่โลกในอดีตซะแล้วเหรอนี่ชายันรำพึงอย่างตืง่นตื่นแล้วบอกกระเชิฐ้าว่าเชิถาในไงก็ใส่นาฬิกาของแกเรือนนี้ติดไว้อย่างนี้แหละอย่าถอดอย่าทิ้งนึกซะว่ามันเป็นที่ระลึกก็แล้วกัน ที่ระลึกว่าพวกเราทั้งหมดมาจากโลกภูมิศัสตร์ในปัจจุบันโดยปีพศออนี้ไม่เวลาของนาฬิกาที่ชะนักตายคามือของแกแล้วก็อย่าให้หมุนเลื่อนเวลาให้ผิดเปลี่ยนไปเป็นอื่นเพราะเราจะได้พิสูจน์ว่าเมื่อไรนาฬิกาของแกจึงจะเริ่มเดินอีกถ้าหากพวกเราทุกคนยังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงการเวลานั้นสาหรับเรื่องวันที่และเดือนตลอดจนพศ ฉันจะเป็นคนจดบันทึกไว้ในสมุดปฏิทินตามที่รพินบอกเองเป็นความคิดที่ดีเชยันฉันจะปฏิบัติตามที่แกบอกท่านหัวหน้าคณะว่าพร้อมกับรับนาฬิกาข้อมือกลับมาผูกไว้ตามเดิมฉันเชื่อหรือเกินนะว่ามันคงเพิ่งจะหยุดเดินเอาในขณะที่เท้าของฉันแตะถึงพื้นถนนพระศิวะนี่แหละก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเราเดินห่างจากภูเขาลูกนี้ออกไปมากๆ จนพน้นรัศมีดึงดูดทั้งเข็มทิศและนาฬิกาของเราอาจใช้งานได้อีกก็ได้หรือคุณว่าไงระพินระพินไพรวันยิ้มขึ้มขึ้ ม, มก็ต้องคอยสังเกตดูแะครับว่าจะเป็นอย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นการถูกต้องของคุณช ย, ยันแล้วที่คุณชายควรจะสวมนาฬิกาไว้ตามเดิมและอย่าไปแตะต้องกับเข็มนาฬิกาที่ชี้บอกเวลาสุดท้ายก่อนหยุดเดินของมัน แปไว่ายัางงั้นแหะครับถ้ามันเกิดเดินขึ้นมาอีกครั้งเราก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันหยุดเดินไปนานเท่าไหร่และเราห่างไกลาจากที่นี่ไปอยู่ที่ไหนบ้างนี่ถ้าจะให้ฉันถ่ายนะดารินพูดจากความรู้สึกบันดานใจบางอย่างอันเกิดขึ้นอย่างลึกลับหางเสียงของหลอนสั่นน้อ ย, อยฉันขอถ่ายนะว่า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 พี่ชายใหญ่ถามบอกไม่ถูกครับพี่ใหญ่ร่อนตอบด้วยเสียงที่ยังไม่วายสั่นฝืนยิม้มมันมันมีอะไรลึกลับที่มาสะกิดความรู้สึกของน้อยเช่นนี้นะคะเราต้องใช้เวลาใหม่ของดินแดนนี้โดยเฉพาะใชแ ล, ะละ้วล่ะไม่ใช่เวลาของเราเองที่มาจากโลกปัจจุบันภายนอกนอยยางเชื่อมั่นอีกนะคะว่าถ้าเราหันหลังกับ เพียงแค่ไต่หน้าผาน้ำแข็งนี่ลงไปยังป่าสนเบื้องล่างที่เราปีนขึ้นมาแล้วซึ่งห่างกันเพียงไม่เกินห้าหกสิบเมตรนี่เท่านั้นนาฬิกาของพี่ใหญ่อาบเดินเป็นปกติก็ได้นะคะอมืมันก็น่าคิดนะแล้วก็น่าจะพิสูจน์ให้รู้ชัดตามทฤษฎีของน้อยแต่เราเห็นจะไม่มีเวลาซละละสำหรับการพิสูจน์ในเรื่องนี้เอาละเดินหน้าได้ละทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ไปรู้เอาในเส้นทางข้างหน้า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 เดี๋ยวเยวก่อนที่ทุกคนจะเคลื่อนไหวชายันร้องขัดออกมาอย่างร้อนรนเครื่องมือบอกเวลาและทิศทางของเรามันใช้งานไม่ได้ใชแล้วมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ผลิตฐกรรมที่มาจากโลกภายนอกซึ่งความอาถรรพ์ของสิ่งของที่นี่ทําให้มันเสื่อมสลายไปตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้เป็นข้อสงสัยแต่เราลืมของสําคัญซึ่งมีความจําเป็นต่อชีวิตของเรากีดฉุดไปใชแล้ว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 และตามหลักเกณของวิทยาศาสตร์ส่วนปืนกับเครื่องกระสุนหรือระเบิดวัตถุนํะมันไม่เกี่ยวกันาการไบก็ตามที่แก๊สและชนวนไม่ด้านเพราะความชื้นก็เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่ด้านเพราะความชื้นจากระยะทางที่เดินฝ่าความชื้นมาโดยตลอดอ่ะชยันพูดอย่างไม่ไวยสงสัยควักซิปโปออกมาขีดไฟจุดทดลองเล่น ปรากฏว่าเปลวไฟยังลุกติดใส้เป็นปกติดีอยู่ในทุกครั้งที่ขีดก็จะไะยากอะไรก็ลองยิงดูสักนัดก็รู้ว่ามันจะด้านหรือไม่ถ้ากระสุนปืนไม่ด้านฉนวนระเบิดก็น่าจะทำงานได้ดีอย่างทีเดียวพร้อมกับกล่าวหัวดารินขยับจะดึงปืนสั้นจุด357ออกจากซองข้างเอวแต่พี่ชายคว้าข้อมือไว้สก่อนอย่าเพิ่ง เอาไว้พบกับพวกนั้นเรียบร้อยซะก่อนแล้วอยากจะทดลองเรื่องปืนนึ่งกระสุนก็ค่อยว่ากันทีหลังแยกกันแบบนี้ในการยิงปืนมันไม่ดีพวกนั้นจะตกใจและเข้าใจผิดว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าคณะรอบคอบเสมอต้นเสมอปลายเสมอต่างเริ่มเคลื่อนที่เดินจับหมู่กันเป็นขบวนจากปลายสุดของถนนสายมหัศจรรย์นั้นลงไปตามเส้นทางของมันซึ่งค่อยๆทอด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 ตัดเส้นทางขึ้นมาบรรจบกับถนนทางด้านขวามือต่างฝ่ายต่างมองเห็นกันก่อนแล้วในระยะที่เดินกันอยู่คนละมุมห่างประมาณ300เมตรและมาพบกันพอดีอย่างจุดหนึ่งของถนนสายใหญ่ทมกลางเสียงร้องทักทายอย่างดีใจของพวกลูกหาบเหล่านั้นทั้งสองฝ่ายจึงสมทบรวมหมู่กันอีกครั้งเคลื่อนไปตามถนนสายมหฮมา ซึ่งมีความกว้างได้ระดับนั้นเสมอกันหมดทุกระยะโอ้ยอยังงี้ก็หลับตาเดินได้แล้วตะเท่าบุญคำร้องออกมาอย่างชอบอกชอบใจพวกรานพื้นเมืองตื่นเต้นยินดีที่เห็นถนนเหมือนมีคนมาตัดเส้นทางไว้ให้อย่าหลับตาเดินนะบุญคำเพราะถ้าหลับตาเมื่อไรอาจจะไม่มีโอกาสได้ลืมตาอีกเลยก็ได้เชิาตบไหลต่เท่า แล้วบอกยิ้มยิ้มรู้สึกปลอดปลงใจขึ้นเมื่อเห็นพวกพรานพื้นเมืองทุกคนกระปรีก้กระเป่ารื่นเริงกันดีเป็นพิเศษนี่ใครมาทําถนนนี่ไว้เรานะยายใหจันถามมาปนหัวเราะงงงันตลาดใจกันทั่วหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันดิเทวดาลมะมั้งท่านคงเห็นเราบุกป่าฝ่าดงกันมายากลําบากเต็มทีนะ ก็เลยนรมิตถนนมาให้เราได้เดินสบายสบายกันบ้างแล้วมันจะพาเราไปถึงไหนนี่นายเสยถามขึ้นบ้างเคยไปกรุงเทพไม่เสยชายันถามยังไม่เคยเลยนายทหารเออถนนนี่แหละถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงกรุงเทพเองบางทีไม่ต้องเดินไกลนักหรอกอาจมีรถโดยสารสองแถวผ่านมาทางนี้สักคันก็ได้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 และชักปืนสั้นที่ติดเอวอยู่สองปากกระบอกขึ้นฟ้าสับไกทันทีที่เข็มแทงชนวนสับถึงแก๊สท้ายกระสุนมันก็ระเบิดตูมกึกก้องกำปนาดดังสะเทือนไปไกลห้ามกลางความเงียบราวกับฟ้าร้องเสียงดังกังวานรับกันเป็นทอดทอดท่ามกลางยอดขุนเขาใหญ่น้อยที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ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 แล้วเลิกคิ้วเหมือนจะถามว่าหมดสงสัยแล้วหรือยังพอตัวยุ่งไม่เข้าเรื่องแต่ที่หลอนพูดออกมาด้วยสีหน้าเรียบๆก็คือไม่น้อยก็ไม่น่าจะบ้าจีจ้ตามชัยยันไปด้วยเลยนะกระสุนเปลืองเปล่าไปหนึ่งนับแล้วก็ทำให้บรรยากาศอันแสนสงบน่ารักของที่นี่ให้อึกกระทึกคลึกโครมไมปซะปล่าๆแล้วพินซักซ้อมความเข้าใจกับทุกคนว่าจะเดินไปตามเส้นทางสายนี้ไปตลอด สุดแต่ว่ามันจะนำไปทางไหนและสำหรับวันนี้ก็จะเดินคืบหน้ากันไปจนกว่าจะมืดแล้วจึงหาที่พักทุกคนก็รับทราบจากนั้นเขาก็เร่งฝีเท้าขึ้นมาเดินเคียงกับแง่ทรายผู้นำด้วยฝีเท้ามั่นคงไปเบื้องหน้าแกรู้อะไรหรือยังแงาทรายอะไรครับผู้กองก่อนนาฬิกาบอกเวลาเรียนเดียว ที่พวกเราทั้งหมดมีอยู่ในขณะนี้ซึ่งอยู่ที่นายใหญ่หยุดการบอกเวลาใช่แล้วละ่ละเขากระซิบตาคมสุขคู่นั้นเหลือบมามองศพเขานิ่งไปครู่เสียงลึกก็ตอบมาว่ามรกฎนครขอต้อนรับพรานใหญ่ระพินไพรวันและคณะผู้ร่วมทางทุกคนต่อไปนี้ท่านต้องใช้เวลาของมรกฎนครแล้วล่ะครับ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 ณวันอันเชื่อมต่อระหว่างแดนต่อแดนในวันนี้รพินไัยวันพ ง, งักตะลึงเขาเดินเคียงคู่ไปกังแง่ายเงียบๆ เ, เช่นนั้นโดยไม่ได้เอ่ยอะไรเป็นเวลานานตลอดเวลาสายตาแทบไม่ได้ละจากใบหน้าสีทองแดงที่ยากจะอ่านความคิดภายในได้เส้นทางเดินบนถนนซึ่งเท้าทั้งสิบสองคู่ก้าวไปเต็มไปได้วยความสะดวกสบาย ผิดกการเดินทางมาแล้วทุกครั้งมองเห็นทิวทัศน์สองฝากในลักษณะกว้างไกลโดยไม่มีช่องอับหรือความน่าหวาดระแวงว่าจะมีภัยใดๆดท่านหลันเข้าถึงตัวได้อย่างจู่โจมกระทันหันสังเกตเห็นได้ชัดว่าเป็นเส้นทางที่นำทอดลงเบื้องต่ำทุกขณะถ้ามีรถยนต์สักคันต่อให้เป็นรถเกง๋งก็จะสามารถวิ่งไปตามถนนสายนี้ได้ อย่างสบายจากผิวถนนที่สมาเสมอราบเรียบแทบจะหาส่วนที่เป็นหลุมบอ่อหรือสิ่งกีดขวางไม่พบเลยนี่แกพูดว่าขณะนี้เป็นเวลาตอนเช้าของที่นี่หรือไงทรายในที่สุดจอมพลานก็ได้ยินเสียงของตนเองถามขึ้นเบาๆครับผู้กองผมพูดเช่นนั้นครับนี่แกใจฉันเชื่อหรยอ เราพิสูจน์กันได้ในเรื่องนี้โดยไม่ยากนะครับก็แค่เดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะขํามและคํานวณระยะเวลาดูจากเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเห็นแสงตะวันในวันนี้แสงสว่างของทิวากาันก่อนที่จะค่อยๆรีโรยลงไปสุราตรีอันมืดมิดอย่างที่เราหวังกันไว้มันจะยิ่งสว่างสวัยมากขึ้นเมื่อใกล้เที่ยงวันเข้าไปวันต่อเชื่อมวันนี้ เราจะได้เห็นที่วาการยืดยาวออกไปถ้างั้นแกก็หมายถึงว่าสำหรับโลกภายนอกนวันกำลังจะสุดสิ้นลงแต่โลกของที่นี่วันเพิ่งจะเริ่มต้นเช่นนั้นใช่ไหมใช่นะครับารเรียนภูมิศาสตร์สากลมาแล้วไม่ใช่เหรอแง่ทรายเรีมฝีปากไปรูปงามคู่นั้นดูเหมือนจะมีรอยเกือบจะยิ้ม เรียนมาบ้างนะครับแต่มันก็ไม่โดยตรงนักไอ้โลกที่มันเรียกอยู่ในภาษาภูมิศาสตร์ว่าเอิร์ธหรือที่เรียกในภาษาดาราศาสตร์ว่า Planet Earth ลนี่เราอยู่ในห่วงอากาศด้วยอาการหมุนรอบตัวเองโดยอัตราแรงหมุนที่ได้ระดับสม่ำเสมอแกเชื่อในทฤษฎีนี้ไหมครับนั่นคือภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐานไงครับ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 แต่ฉันอยากจะถามแกว่าเขาเว้นระยะเปลี่ยนสายตาจากทองฟ้าลงมามองหน้าแงใสจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาของที่นี่ขณะนี้น่ะเป็นเวลาประมาณสามโมงเช้าหรือเก้านาฬิกาก่อนเที่ยงซึ่งมันผิดเวลาที่ควรจะเป็นไปถึงหกเจ็ดชั่วโมงผู้กองสงสัยแล้วครับอืมฉันประหลาดใจในความลึกลับของแก่ะมากกว่า เพาตลอดเส้นทางที่เราบุกบันฟันฝ่ามาด้วยกันแกก็ไม่ได้แสดงให้ฉันเห็นเลยนี่ว่าแกจะรู้เส้นทางนี้ดีไปกว่าฉันจริงแกอาจได้เปรียบฉันบ้างในข้อที่ว่าแกสามารถอ่านต้นฉบับของลายแทงที่เป็นภาษาพม่าโบราณ น, นั้นออกโดยละเอียดเท่านั้นทําไมในลายแทงต้นฉบับนั้นบอกถึงการเวลาที่จะต้องหมุนย้อนหลังด้วยอย่างนั้นเหละเมื่อเรามาถึงถนนสายนี้เปล่าครับผู้กอง ลายแทงไม่ได้บอกถึงเรื่องนี้ไว้หรอกครับอะงั้นแล้วแกรู้ได้อย่างไรหลวงปู่ท่านมาบอกผมเมื่อคืนนี้ครับแงซ า, ายตอบเรียบๆด้วยอาการสงบแพนใหญ่ลืมตาโพล่งอุทานว่าหลวงปู่เครับหลวงปู่พระธุดงที่เลี้ยงผมมานี่ยแหละครับท่านไม่ได้แผ่วพานเข้ามาในความฝันหรือสัมผัสกับประสาทส่วนที่หกของผมมานานแล้วครับแต่เมื่อคืนนี้ผมเห็นท่าน ในขณะที่ร่างกายส่วนนอกของผมหลับท่านให้พอนผมครับแล้วบอกกับผมว่าทันทีที่เท้าของผมสัมผัสแผ่นดินอันเป็นมาตุภูมินี้การเวลาจะหมุนย้อนกลับเจชั่วโมงเพราะเวลาของที่นี่ไม่เหมือนเวลาของโลกภายนอกแห่งใดใดทั้งสิ้นผมได้ลึกถึงข้อความที่ท่านบอกนี้ทุกฝีก้าวย่างแห่งการเดินทางวันนี้และในทันทีที่ผมขึ้นมาถึงถนนสายนี้ก็ได้พยายามสังเกตดวงตะวันอยู่ตลอดเวลา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 คุมีประเทศที่มองเห็นสองฝากฝั่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากภูเขาที่เห็นแต่ก้อนหินล้วนเริ่มจะเห็นเขาเขียวชอุ่มของพืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ขึ้นงอกงามอยู่ตามไหล่เขาที่ลดหลันต่ำลงไปบางขณะก็ผ่านไปตามทุ่งหญ้าและป่าปโปรงบางขณะก็ผ่านแนวลำธารที่ไหลเอื่ อ, อย อ, อยียเคียงขนานไปกับถนนและแก่งผาน้ำตกที่อุดมไปด้วยเหล่าผีเสือ้อหลากสี บินไต่ตอมอยู่ตามช่อดอกไม้อันบานสะพรัง่งซึ่งไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักกันมาก่อนราวกับว่าจะเป็นโลกใหม่อีกโลกหนึง่งทุกคนเดินชี้ชวนกันชมทิวทัศน์สองฝั่งถนนอย่างเพลิดเพลินหนทางตามถนนสายนั้นนำลดระดับต่ำลงและต่ำลงอยู่ทุกขณะโดยระยะทางที่คืบหน้าไปะระพินรอบสังเกตท้องฟ้าอยู่ทุกขณะ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 บาดนี้ผุดซึมเต็มใบหน้าและลำคอลักษณะของหล่อนอิดโรยอ่อนเปลี้ยคุณหญิงเป็นไไปล่ะครับเขาถามเร็วปรือขณะที่ตรงเข้าไปมาเรียกชยยันซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆบัดนี้ก็สุดกายลงนั่งชันเข่าอยู่กับพื้นทุกคนแม้กระทั่งพวกลูกหาบสีหน้าและอาการบอกชัดว่าเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มทีก็เลยฉวยโอกาสปรงหาบชั่วขณะ ลงนั่งนอนแพรกันเกะกะไปหมดก็คงเหลือแต่เพียงเชิดากังแงสายเท่านั้นที่ยังยืนทรงกายอยู่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกราชสกุลสาวบอกขอบอถอดเสื้อแจ็คเก็ตหนังออกแผ่นหลังอันมีเสื้อเดินป่าของหลอนสวมทับอยู่บัดนี้เห็นชัดว่าชุ่มไปด้วยเหงือ่อเรากอ็อาบน้ำแต่มันเหนื่อยอะ และรู้สึกว่าร้อนผิดปกติไป ม, มากขอพักสักเดียวเถอะระพินระพินซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้สีหน้าอันสงบเฉยของเขาขณะนี้ทางหางตารู้สึกว่าจะเห็นแงาซายยืนจ้องขมิงมาแต่เขาไม่หันไปศพด้วยทรายทาเป็นมองภูมิประเทศไปรอบๆแล้วบอกมาด้วยน้ำเสียงปลุบปลอบว่าภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วะครับอากาศก็เริ่มจะอ้าวขึ้น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 แต่แววหอยเลยเหีียยังมองหินชัดมาเรียถอดเสื้อขนสัตว์ที่เช็ดทามอบให้หลอนสวมติดตัวไว้ออกพับส่งให้สางปาบรรจุลงถุงย่ามอันเป็นความหมายว่าหลอนไม่ต้องการใช้มันอีกชายันก็ปลดดุมเสื้อของเขารุ่ยร่ออกเอาอกพึงลมด้วยความร้อนทุกคนไม่อาจเดาสถานการณ์ของตนเองได้ว่าตกอยู่ในสภาพเช่นไรเป็นยังไงบ้างพวกเรา ท่านหัวหน้าคณะถามปลื้ยไปยังพรานพื้นเมืองทุกคนใหญ่จริงๆนายใหญ่ไม่เพียงแต่นายหญิงเท่านั้นหรอกที่หมดแรงเดินถึงพวกบุญคำก็หมดแรงเหมือนกันทาไมวันนี้ถึงรู้สึกว่าเดินทางอย่างนี้ก็ไม่รู้หรือว่าเราไม่ได้กินอะไรกันมาเลยนอกจากยาของนายหญิงตาเท่ารองบอกมาพร้อมกับปิดปากหาวอดเชิดาขมวดคิว้ว เหมือนจะฉุกคิดอะไรบางอย่างหมุนตัวสังเกตภูมิประเทศไปรอบๆพูดออกมาเบาๆคล้ายกับจะรำพึงกับตนเองเออนั่นสินะทาไมวันนี้ถึงรู้สึกว่าเราเดินกันมันนานหรือเกินพักสักครู่ก็ได้ครับหายเหนื่อยแล้วค่อยไปกันใหม่ครับระพินบอกมาท่านหัวหน้าคณะยกนาฬิกาขึ้นดูอย่างปราศจากความหมาย เข็มมันตายอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็คงอยู่ตำแหน่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะเดินกันไปถึงไหนนี่ระพินเชื้าถามอย่างไม่ตั้งใจก็อย่างที่ตกลงกันไว้ยังไงล่ะครับค่าที่ไหนก็พักที่นั่นแหละครับค่าที่ไหนพักที่นั่นอย่างนั้นเนะท่านหัวหน้าคณะทวนคำเบาๆซ้ำอยู่หลายครั้ง และทันใดนั้นก็หันมามองหน้าเขานี่รพินจากหัวถนนที่เราไต่ขึ้นมานะ่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะ่ะคุณว่าเราเดินกันมากี่ชั่วโมงแล้วนะระพินพรานใหญ่กระพริบตาปริบ ป, ปริบยกแขนขึ้นปาดเหงือแล้วฝืนยิ้มออกมาแห่งแรงคําถามเช่นนั้นของเชษฐานั่นเองทำให้ชายันมารีอาและดารินเริ่มเอใจคิดและก่อนที่จอมพรานจะตอบเช่นไร ชายันก็ร้องขึ้นให้ตายสินี่มันยังไงกันซะแล้วนะเฮ้ยเราเดินกันมาเป็นเวลานานเท่าไรแล้วเนี่ยนับตั้งแต่พบกับปลายถนนบนยอดเขาหิมะนั่นเฮ้ยจนกระทั่งลงมาถึงเขตอบอุ่นนี่ไม่มีหิมะเลยบริเวณเนี้ยนานเท่าไรแล้วผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ทุกรู้แน่ๆนะมันคงไม่นานนักหรอกครับเพราะมันยังไม่ค่านีครับ รบพินตอบอ่อยๆทันใดนั้นมาเรียก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมาจากท่าที่นั่งกอดเข่าอยู่นี่ไบรวันฉันสาบานได้นะสาบานได้ว่าจากหัวถนนบนยอดเขาสูงลิบลิบน่นลงมาจนถึงที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้โดยไม่ได้หยุดพักเลยจะต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่หรือห้าชั่วโมงเต็มๆแล้วจีง ก็รู้สึกว่าเราเดินกันมานานกันหนักนั้นแล้วแหละดาพินดาลินร้องลั่นมาอีกคนนึงเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็ถ้าเราเดินกันมาตั้งสี่หรือห้าชั่วโมงอย่างว่าเนอ่ยป่า น, นี้ก็คําไปนานแล้วนี่มันยังออกสว่างโร่อยู่เลยจอมกุเทศพยายามกลบเกลื่อนหน้าตาเฉยไม่พยายามมองไปทางแง่ทรายผู้ยืนสงบนิ่งอยู่เยื่องด้านหน้าคเขาดาพิน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 เราก็ควรจะเดินกันมาอย่างมากอีกไม่เกินสงสองชั่วโมงเท่านั้นอะ่ะพอมืดก็หาที่พักแต่นี่ทำไมอะ่ะเราเดินกันมาเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อยก็เท่าตัวคุณไม่มีความรู้สึกบ้างเลยเหรอระพินคุณชายครับความรู้สึกของผมจะมีก็อย่างเดียวเท่านั้นแหะครับคุณชายคือมืดเมื่อไหร่ก็พักเมื่อนั้นถ้ายังไม่มืดก็แปลว่าเรายังเดินกันมาไม่นานนะแต่นั่นไม่สำคัญนะครับ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 เมื่อมาเรียตะโกนเสียงแหลมกล้องขึ้นมาว่าดูอะไรนี่ไม่กอดตังหันขวับไปทางมาเรียซึ่งบัด น, นี้ยืนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกผีหลอกตาสีดอกผักตบทั้งคู่เบิกโพรงชี้ลงไปกับพื้นตำแหน่งที่ตนยืนอยู่นั้นอะไรเม่อะไรดาริงโจรพวดเข้าไปร้องถามด้วยความตกใจดังพอๆกันมาเรียพูดไม่ออกไดแต่อ้าปากเหมือนหนังบ้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 ทุกๆคนในยามนี้ก็มีเงาของตนเองจากแสงแดดในลักษณะเช่นนั้นและของแดดในลักษณะดังกล่าวนี้แม้กระทั่งเจ้าสางปาบรมังโง่ที่สุดก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามันเป็นเวลาเลยเที่ยงวันมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหยียบหัวถนนเมื่อเวลาบ่าย4โมงหรือ16นาฬิกาเดินมาตามถนนสายนี้อีกประมาณ4หรือหชั่วโมงทุกคนก็ระหนักดีอยู่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 นเนื่องจากเห็นเงาแดดที่แผดกล้าชัดเป็นครั้งแรกพวกนั้นเอามือป้องหน้าแงนดูตะวันและก้มลงตรวจเงาของตอนเองพร้อมกระชี้ชวนให้กันดูและพูดกันเอะอะระพินมองไปที่แง่ทายเจ้านั้นอยู่ในอาการสงบเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นเหมือนจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นภาระของเขาคนเดียวระหว่างที่เขายังยืนนิ่งอยู่นั้น ดารินก็ก้าวเข้ามาหยุดหยุดตรงหน้ารพิดคุณดูเวลาตามเงาแดดได้ไม่ใช่เหรอเสียงของหลอนเบาเหมือนกระซิบครับคุณหญิงงั้นก็ดูเงาของตัวเองในขณะนี้สิแล้วลองบอกสิว่ามันน่าจะเป็นเวลาประมาณสักเท่าไหร่ก<อ>็ประมาณเที่ยงเศษเกือบเกือบบ่ายนะครับ แล้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะรพินเป็นยังไงครับคุณหญิงเขาวางหน้าตายถามเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตายแล้วคุณนี่คุณไม่รู้สึกเหมือนพวกเราในขณะนี้บ้างหรอกเหรอหล่อนร้องหันไปมองหน้าฟักพวกคนอื่นๆรือว่าพวกเรามีความรู้สึกมากกันไปเองทั้งหมดเหลือทานนําทางเพียงคนเดียวที่ปกติดีที่สุด ข้างหลอนก็ตะโกนเรียกบุญคำเข้ามาพร้อมกับถามว่านี่บุญคำถามจริงเหรอนะบุญคำรู้สึกผิดสังเกตบ้างไหมเวลาขนานี้น่ะความจริงน่มันควรจะเป็นเวลาข้าแล้วใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเพิ่งจะเที่ยงวันละ่ะตาพรานเท่าหน้าตื่นเลิกหลักสีหน้าประหลาดตกใจไม่แพ้กลุ่มนายจ้างทั้งหลายยิ้มแห้งๆเอามือลูบหัว นายหญิงครับบุญคำก็ว่ามันน่าจะคําแล้วเหมือนกันแต่ทำไมพอฟ้าใสแดดออกตะวันถึงตรงหัวแบบนี้ก็ไม่รู้สินายหญิงหรือว่าพระอาทิตย์ท่านชักรถถอยหลังให้เราเพื่อจะให้เราเดินไปได้อีกไกลไกลก่อนมืดละมั้งแกพูดอ้อมแอมไม่สู้จะเต็มเสียงนะักผมก็รู้สึกเหมือนกันครับ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 ความจริงก็เพิ่งปรากฏชัดแน่นอนเอาเดี๋ยวนี้เองว่ามันเพิ่งจะเที่ยงกว่าๆเท่านั้นแล้วทุกท่านเชื่อหรอครับว่าดวงอาทิตย์โคจรถอยหลังได้นะก็เพราะไม่เชื่อน่ะสิผู้กองถึงได้งงเป็นไก่ตาแตกอยู่เดี๋ยวนี้ไงชัยยันรองอย่าไปสงสัยอะไรมันพิษดารเปลืองสมองไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าจะสงสัยก็สงสัยเรื่องนาฬิกาของคุณชายดีกว่าครับ คือตอนที่เราตื่นขึ้นมาวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าเป็นเวลาเที่ยงวันเข้าไปแล้วก็เพราะนาฬิกาของคุณชายบอกซึ่งเราก็ยึดถือเวลาตามนาฬิกานั้นเป็นหลักแห่งความรับรู้เข้าใจมาโดยตลอดบรรยากาศรือท้องฟ้ามันก็มืดครึ้มอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาไม่สามารถสังเกตเห็นตะวันได้เลยเพะเราเดินวัดกะชั่วโมงมาทุกระยะเห็นล่วงมาเวลาราสักหาชั่วโมงเ้วก็กะกนว่ามันควรจะค่าได้แล้ว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 ขณะนั้นเป็นเวลาสักเท่าไหร่ถ้าไม่ดูจากนาฬิกาของคุณชายเจตฐานิ่งคิดอย่างมึนงงแล้วก้มสีสันใช่ผมยอมรับเพราะสะภาพท้องฟ้าอากาศมันคลุมเครือไปหมดมองไม่เห็นตะวันไม่เห็นแสงบนท้องฟ้าเลยนอกจากความสว่างบอกความเป็นกลางวันอันทึมๆมที่อยากจะทายเวลาได้ถูกแต่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 กล่าวถูกห่างออกไปเล็กน้อยแง่ า, ายยืนสงบอยู่ในอาการเดิมดารินหันไปจ้องสีหน้าอันตายด้านเหมือนภาพปั้นนั้นเหมือนจะอ่านแง่ า, ายพวกเราทุกคนทายความรู้สึกของเธอไม่ถูกหรอกนะเธอมีอะไรจะอธิบายกับเราบ้างไหมหรืออย่างน้อยก็ช่วยตัดสินให้ทีดิว่าระหว่างพวกเราทั้งหมดกับผู้กองระพินใครเข้าใจผิดหรือใครเข้าใจถูกต้อง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 ชายันบนุญสั่นหัวดิกๆเริ่มจะลังเละหันมองหน้าเชษฐารู้ว่าพวกเราจะเข้าใจผิดไปเองอย่างที่ระพินว่านี่ท่านหัวหน้าคณะยิ้มแค่นแครนเออมันก็ไม่มีทางใดจะพิสูจน์ได้ดีไปกว่าที่ระพินว่านั่นแหละเว้นแต่เราจะเชื่อว่าตะวันโคโจรถอยหลังได้มันช่างพิลึกกึ๊กึดีจริงฮ่แต่ถึงยังไงฉันก็บอกไว้แล้วไม่ใช่เหรอ บอกไว้ตั้งแต่นาฬิกาของฉันตายแง่แก่นี่แหละ ว, ว่าต่อไปนี้เราจะต้องใช้เวลาของดินแดนนี้ซะและ้วซึ่งมันก็เป็นความจริงทุกอย่างเรานึกกันว่ามันควรจะข้าแล้วกลับปรากฏว่าแค่เที่ยงวันเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างดูช่างลี้ลับหาคำตอบไม่ได้ไปสมุดอา้ามันจะเป็นเวลาไหนก็ไม่เป็นปัญหาหรอกยังไม่ขํกาก็ดีจะได้มีเวลาเดินกันไปอีกแต่แต่น้อยเดินไม่ได้แล้วับพี่ใหญ่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 และค่อนข้างเชื่องชั่วไม่นานก็กลับมาพร้อมกับปลาตัวโตๆพ ว, ว, ว, ว, ว, ว, วงใหญ่ปริมาณเหลือเฟือสำหรับจะบรรจุกระเพาะของทุกคนในหนึ่งมือนำขึ้นเสียบไม้ย่างไฟต่างเต็มเ้ื่อความแช่มชื่นที่มาถึงแหล่งอันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยไม่คาดฝันแสงแดดยามบ่ายสว่างสดใสอยู่ทั่วไปฉาบกรศมีเรืองรองจับอยู่ตามยอดไม้และสุนทุมพุ่มพึก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 ที่ตรวจดูต้นไม้ใบหญ้าและสภาพของป่าละเอียดแล้วหรือยังเนี่ยว่ามันเป็นป่าลักษณะไหนผู้กองอดีตนายพันโททูตทหารบกผู้รอบคอบสอบความกระจอมมักคุเทศอย่างทีท่วนก็เท่าที่สังเกตผาดผาดมันเป็นป่าละเมาสสลับไปกับป่าโปร่งครับคุณชายลักษณะก็คล้ายๆวะนาอุทยานไม่มีร่องรอยของป่าดงดิบเลย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 น่าจะอยู่ในราวราว75องศาเฟรนไฮถกลางคืนจะต่ำกว่านี่เล็กน้อยกำลังสบายดีที่สุดเชื่อว่าเราจะไม่พบกับความทารุณของสภาพอากาศอีกสำหรับพืชเท่าที่เห็นอยู่รอบๆตัวใกล้กๆนี่มันก็มีปนปนกันอยู่ทั้งพืชเมืองร้อนและเมืองหนาวไม่มีพืชรูซากหรึ ก, กํำบันอย่างที่เราพบกันมาก่อนแล้วขณะที่ผ่านบริเวณทะเลสาบมรณนะถ้าสวงสวรรค์มีอยู่จริง ฉันก็คิดว่าควรจะเป็นดินแดนที่เรามาถึงกันนี่แหละมันตื่นตาตื่นใจซะยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ผลิซะอีกนะแล้วมาเรียก็ปิดปากหาววอดพูดต่อมาทั้งยังหาวว่ะโอ้ยทำไมถึงเพลียแล้วก็ง่วงอย่างนี้ก็ไม่รู้สิทุกคนมีความรู้สึกเหมือนเช่นที่มาเรียบอกภายหลังรับประทานอาหารเสร็จหนังตาจะปิดลงใช่ได้เอาละครับ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 ไปในกลุ่มพวกพรานพื้นเมืองที่นอนกันอยู่ระเกะระกะเขาก็สาเนีกได้ในทันทีนั้นว่าขาดไปคนหนึ่งแง่ า, าย